อนาปฏิวนันภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ635 1. ภิกษุูเป็นเจ้าของเดิมรับจีวรที่เขาให้คืนเองหรือถือเอาโดยวิาสาสะกับภิกษุผู้รับไป 2. ภพิกษุวิกลจริต 3. ภิกษุต้นบัญญัติจีระอัจฉินทนะสิกขาบทที่5จบ